ที่เคยขึ้นที่หมู่บ้าน น, นละกะปานะในพระสูตรที่ชื่อว่า น, นละกะปานสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ถึงการบรรลุธรรมของเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสุดประสงค์ก็คือเพื่อให้คนที่ได้ยินได้ฟังเขารู้จักเคยร่วมพูดคุยคบหาสมาคม จะสามารถรู้ถึงศรัทธาศีลสุตะตาจักะและปัญญาของบุคคลต่างๆเหล่านั้นเหล่า น, นถ้าไม่มีความอยู่อย่างพาสุขได้ในธรรมวินัยนี้ท่านฟังมีคุณวิเศษมีสิ่งที่อัศจรรย์ใจให้กับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆให้ได้รู้ซึ้งถึง จิตใจข้างหนได้นอกจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านนารกาปานะแล้วก็มีเรื่องราวเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสี่อย่างแล้วก็อุปมาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเขาชวนรับฟังว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนารกาปานะนารกาปานสูตร มัจจิมานิกายเล่มที่ส3บสาข้อที่หนึ่งมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาหมู่บ้านน ล, ละกาปานะในแคว้งโกศลก็สมัยนั้นแลคุณบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระภัติยะท่านพระกิมพิละท่านพระภคุท่านรพานระโกนัญญาท่านพระเระวตะท่านพระอนนท์และคุณบุตรผู้มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรญชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณในสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งพระนั้นจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตูุทิหลรานั้นยังยินดีในพรมจรนย์อยู่หรือ ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่จึงนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้ปากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ส่งปรารโรคุลุบุตรเหล่านั้นรับสั่งเหมือนอย่างครั้งแรกแม่ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็ยังคงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ส่งปรารโรคกุลุบุตรเหล่านั้น รับสั่งเรียกภิกษุต้งหลามาแล้วแล้วตรัสเหมือนครั้งแรกว่าภิกษุต้งหลายก็คุณบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตอุติศเหล่านั้นยังยินดีในพรมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่วันแบบนั้นบรดผู้มีพระภาค จึงได้ทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรถามกุลบุตรนั้นดูแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตราตามาอนุรุทธะเธอทั้งหลายอย่างยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเป็นพระอนุรุทธะพวกข้าพระอง์ทั้งหลายยังยินดีในการประพฤติพรมจรรย์อยู่พระชจ้าขสาธุสาธุดีแล้วอนุรุทธะ การที่เธอทั้งหลายยินดีในประมาจันนิแลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรที่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเราเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดาสนิทเจริญอยู่ในปฐมไัยสมควรที่จะบริพัวกรามแต่ก็ยังออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้ แต่ทั้งหลายนั้นมิใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาซึงออกจากเรือนบวชเป็นบรระชิตม่ใช่ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบประชิตมิใช่ถูกหนี้ศิลบีบคันจึงออกจากเรือนบวชเป็นบประชิตมิใช่เดือดร้อนพระภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบประชิตมิใช่ถูกอาชีพบีบคัน จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริงเธอทั้งหลายมีสตธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแข้งใจคร่างกัแล้วตกอยู่ในกองทุกข์ มีทุกประดังเข้ามาใหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งหมวนี้จะพึงปรากฏข้อนี้เป็นอย่างนันม่ใช่รอข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเ้าข้าปณุรุตนาทั้งหลายก็กิตติไเรเล่าที่คุรบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้จะพึงทําคือคุระบุตรถ้ายัางไม่บรรลุปีติและสุข หรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัด จ, จากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชาคือความเพ่งเล็งก็ยังคราบงามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ปยาบาทความง่วงซึมคือตินมิทะความฟุ้งซ่านลำการใจความเครือบแขลงเห็นแยง้งคือวิจิกิจฉาก็ายังคราบงาจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ แม้ความริษยาแม้ความเป็นผู้เกียดคร้านก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั่นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัด จ, จากการมและอกุยสัรราทั้งหลายอนุรธะกุลบุตรบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้น มันสงัดจากการและอากุศลธรรมทั้งหลายก็จะมาเป็นเช่นนี้แม้ความเพ่งเล็งก็คราบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้พยาบาทก็ครอบงามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ทินามิตะก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นไม่ได้แม้ความฟุ้งซ่านรากาญใจคืออุทจักกุฏิก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้ แม้วิชิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยง้งก็คราบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็คราบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกเรร้านก็คร า, ราบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นก็บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่เลี่ยงกว่านั้นกันสงัดจากกรรม และอากุศลแระต่างทั้งหลายอรูทตาพวกเธอทั้งหลายจะคิดในเรื่องนี้ว่าอย่างไรต่ า, าคตอย่างละอาสวะนั้นทำความเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ในมีการเกิดการแก่และการตายต่อไปไม่ได้ประเสรนั้น ตถาคตจึงพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึง่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึง่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึง่งและพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึง่งอย่างนั้นบ้างไหมก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นเลยพระเจ้ขาข้าแต่ข้าพระองค์คิดในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า พระตถากตทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปได้แล้วเพราะเห็นนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงเว้นของอย่างหนึ่ง และพิจารณาแล้วจึงบรรเทาของอย่างหนึ่งพระชาคา้าดีแล้วดีแล้วจนุรุตตาทั้งหลายตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความโกรนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีการเกิดการแก่และการตายต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนให้เหมือนต้นตาล ที่ถูกตัดรากถอนคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตตากตก็ฉันนั้นเหมือนกันและอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในพบใหม่มีวิบากเป็นทุกข์ มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปได้แล้วตันรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ถ้าไม่ไม่มีไม่เกิดขึ้นได้ต่อไปเปรตนั้นพระทาโคตรจึงพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่ง และพิจารณาแล้วบรรเทาวลองอย่างหนึ่งอนุรุตาทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็จะทากดพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพยากกรสาวกทั้งหลายผู้ล่วงรับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อนอนเกิดในภพนอนสาวกชื่อนอนเกิดในภพนอน ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ให้เจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายฟังคำอธิบายของพระองค์แล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าอนุรุตะ ก็ตาตาก็เจอพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วว่าในภพที่เกิดนั้นทั้งหลายว่าสาวกชื่อนอนเกิดในภพนอนสาวกชื่อนอนเกิดในภพนอนเพื่อให้คนเกิดความพิสบงก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงค์คือลาภกสการะและความสันเสริญก็หาไม่ได้ หรือด้วยคมประสงบากคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามไม่ได้อนุรุตากุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทมากก็มีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากร น, นี้แล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นก่อนนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แก่คุณบุตเหล่านั้นตออลอดกาลนานอันดุรุัก็ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ได้ฟังข่าวว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคบ้าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุที่ได้ยินดังนั้นก็ได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมะอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนีท้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้พิกษุนันเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะชาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นอยู่ ก็จะน้อมจิตไปเพื่อสัตาเป็นต้นนั้นกางอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนีกว่าภิกษุในธรรมะวันนี้ได้ฟังบ่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับภรยากรจากพระผู้มีพระภาคบ้าท่านผู้นั้นเป็นโอปติกะเพราะสิ้นก็เรื่องไร้รัฐเบื้องตามห้าอย่าง จะปรินิพานบปในภพที่เกิดนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาภิกษุนั้นก็ได้เห็นมาเองหรือได้ยินมาว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีล ส, สุตตะ ช่คะและปัญญาของท่านบุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อสตาเป็นต้นแล้วการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนีก็ภิกษุในธรรมบินในนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้น เป็นสกทธาคามีเพราะสิ้นสังโย่สามประการและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือว่าได้ฟังมาว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้เป็นผู้มีสีอย่างนี้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 ด้วยประการชนีอนุรุะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังมาว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วและได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันพระสังโยส่สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนจะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า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 ของท่านรูปนั้นแล้วก็จะน้อมจิตไปเพื่อสถาเป็นต้นก็การอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยประการชนีอนุรัตาทั้งหลายก็ภิกษุณีในธรรมะในนี้ได้ฟังมาว่าภิกษุณีชื่อนี้มรรภาพแล้วและได้รับเปรียกรจากพระผู้มีพระภาคว่า น้องหญิงนั้นดำรงอยู่ในอราตผลกว่าภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแ ล, ล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อเลึกถึงศรัทธาศีล สุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อสัทธาเป็นต้นก็การอยู่อย่างพาสุขย่อมมีแก่ภิกษุณีแม้ด้วยประการชนีดนรรุธรทั้งหลายก็ภิกษุณีในธรรมะวันนี้ได้ฟังมาว่าภิกษุณีชื่อ น, นี้มรนญภาพแล้ว ได้รับเพียากรจากประผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นและเพราะโรรมายกิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการของเธอนั้นสิ้นไปจะปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกก็ภิกษุนีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้มีทรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ทิ่ส่นี้นั้นเมื่อระลึกถึงสตธาศีลสุตตะจารคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะนอนจิตไปเพื่อสตตาเป็นต้นก่างอยู่อย่างผาสุก ย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนีก็ภิกษุณีในธรรมวิ น, นัยนี้ได้ฟังมาว่าภิกษุณีชื่อนี้มรทภาพแล้วและได้รับพยากร์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีพระสั่งโย่สามประการสิ้นไปและพระราคาโทสะโมหะเ บ, บาบางน้อยลง จะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าก็น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญามีวิหารธรรมมีการลุดพ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล ส, สุตตะชาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะนอนจิตไปเพื่อสถาเป็นต้นการอยู่อย่างภาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนีอันธุรตาทั้งหลายก็ภิกษุณีในธรรมะวนนันนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่ อ, อนี้มรณภาพแล้ว จะได้รับเอกรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะลาสังโยชสามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าก็ภิกษุนี้นั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าคุณน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้ เป็นผู้มีปัญญามีเวหารธรรมเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษณุณีด้วยประการชนนี้แหละ อนุรตาทั้งหลายก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนั้นตายแล้วและได้รับปยยกรจากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโอปาติกะพระอรายกิะสังโยชน์คือเครื่องร้ยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกอุบาสกนั้น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 เพื่อสัทาเป็นต้นก็การอยู่อย่างภาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนีก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังมาว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วและได้รับพปียกรจากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นสกตากามีพระสังโยธาสามประการสิ้นไปและพระราคาโทสัต โมหาเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้อุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงสัตตาศีล สุตตจารคะและปัญญาของท่านบุญนันก็จะนำจิตไปเพื่อสถาเป็นต้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกแม้ด้วยประการชนีดอนุษักษ์ก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังมาว่าอุบาสกชื่อ น, นี้ตายแล้วและได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่า ทนผู้นี้เป็นโสตบันพระสังโยตสามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิเดนวันข้างหน้ากว่าอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าก็ท่านผู้นี้เป็นผู้มีสีอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหรารธรรมอย่างนี้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 กัอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังมาว่าอุบาสิกาชื่อนี้ได้ตายแล้วและได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นพระสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างสิ้นไปเจ้บรณิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกก็อุบาสิกานั้น ได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมเป็นผู้ดุด้นแล้วอย่างนี้ก่ออุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงปัญญาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อสถาเป็นต้น การอยู่ยังภาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนนี้แหละบุรธาทั้งหลายก็อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังมาว่าอุบาสิกาชื่อโน้องตายแล้วและได้รับเรียกรจากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทากามีเพราะกุเร่งร้ายรัตสามประการสิ้นไป และพระราคาโทสะโมหะมบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้อุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมอย่างนี้อย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ กออุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาระและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิดไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการอย่างนี้แหละอนุรักษ์าทั้งหลายก็อุบาสิกาในศาสนานี้ ได้ฟังมาว่าอุบาสิกาชื่อนั้นตายแล้วและได้รับเบญกกอรจากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปเป็นนั้นไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าก็อุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาจากคนอื่นว่า น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญายอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอยู่อย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะ tamam และปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไป เพื่อศัทาเป็นต้นการอยู่อย่างพาสุขยมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนีอันุรุจทั้งหลายก็ตามที่กล่ามานี้แลทแตถากดปยากรสาวกทั้งหลายกูลวงลับไปแล้วในภพที่เขาไปเกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อนอนโดยในภพนอน สาวกชื่อนอนเกิดในภกนอนก็เพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หาไม่ได้เพืนน่อนิสงค์คือลาบสการะและความสรรเสริญก็หาไม่ได้หรือด้วยความประสงค์บ่าคนจะรู้จักเราด้วยเหตุ น, นี้ก็หาไม่ได้อนุรุทากุลบุตรผู้มีศรัทธา มีความยินดีมากมีความปราโมทมากก็มีกุลุบุตรนั้นได้ฟังคำพยากรณ์ น, นั้นแล้วจะน้ําจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นดังนี้แหละก้ อ, อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คุรุบุตรนั้นสิ้กนกาลนานว่เมื่อปราผู้มีพระพาค ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วเป็นพระอนุรุทธะมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลนั้นละกับปานสูตรจบว่าด้วยอาหารสี่บุตธมังสะสูตรและอาหารรสูตรพิสุตตั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไป เพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุกราแกสัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่งกับพะระลีการาหารคืออาหารที่เป็นคำข้าวที่หยาบบ้างละเอียดบ้างสองผัดสะ 3. ม, มโนสัญเจตนาและสวิญญาณพิกสุธนายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดมรงอยู่ของภูตะสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายก็กับพระลีคาราหารันควรจะพึงเห็นอย่างไร ปริเบเหมือนภรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองภรยาสามีนั้นมีบุตรน้อยคนเดียวกู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อกณะนะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามหนทางอันกันดารอยู่นั้นสเสบียงสำหรับเดินทาง ที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดา น, นั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดา น, นั้นไปได้กรันั้นแลสะสองภริยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าก็เสียียงสาหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้ว แล้วหนทางอันกันดานก็ยังเหลืออยู่พวกเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานนี้ไปได้อย่ากกระนั้นเลยเราทั้งสองคนกึงข่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าอนดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี่แหละเดินข้ามหนทางอันกันดานที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิด เพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นพวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่เรงนี้กระนัและริยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าดูนั้นเสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั่นเทียวเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้น สองปริยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค้อนอกไปพลางรำบันว่าบุดน้อยคนเดียวของเราไปในเสียบุดน้อยคนเดียวของเราไปในเสียดังนี้ภิกษุต้งหลายพู้เธอจะสําคัญความข้อ น, นี้ว่าอย่างไรสองปริยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้าง เพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาตกแต่งร่างกายบ้างอย่างนั้นหรือคนอนั้นหาเป็นเช่นนั่นแม่พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นสองภรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางอันกันดาลเท่านั้นมิใช่หรือก่อนนี้อุปมาชนใดเรากล่าวว่า กัปภะลีกาลาหาอนอนิย я สาวกพิงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉะนั้นก็เมื่อกัปภะลีกาลาหาอนอนา ря สาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะคือความกำหนัดที่มีเบญจาการมาคุณคือการมาคุณทั้งห้าเป็นดานเกิดยอมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น กำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคาที่มีการมากุณทั้งหาเป็นดันเกิดเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์คือเครื่องรายรัดชนิดที่อริยาสาวกประกอบเข้าแล้วจอพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีพิษุตนณยก็ผัสสะหาร ควรจะพึงเห็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนแม่โคโนมที่ปราศจากหนังห่อหุ้มถ้าแม่โคโนมนั้นพึงยืนพิงฝาอยู่ไสมันก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยฝาเจาะกินแต่แม่โคโนมนั้นพึงยืนพิงต้นไม้อยู่ไสมันก็จะพึงถูกพวกสัตว ที่อาศัยต้นไม้ใช้กินถ้าหากแม่โคนมนั้นจะพึ่งลงไปแช่น้ำอยู่ใสมันก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดกัดกินถ้าหากแม่โคนมนั้นจะพึ่งอาศัยอยู่ในที่โล่งแจ้งใสมันก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกัดจิ ก, กิน พิสุตตหลายแม่โกนมที่ปราศจากหนังหุ้มนั้นจะพึ่งไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามมันก็จะถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆก็กินอยู่ร่ำไปก่อนนี้อุปมาชนใดเรากาวผัดสาหานอนริยาสาวกพึ่งเห็นว่ามีอุปมา เหมือนแม่โคโนมที่ปราศจากหนังห่อหุ้มฉะนั้นเมื่อภาษาหารอนอริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเวทนาทั้งสามย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อเวทนาทั้งสามเป็นสิ่งที่อริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้ว เรากล่าวว่าสิ่งไรๆที่ควรกระทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่ริยสาวกนั้นดังนี้พิสุตรหลายก็มโนสันเจตนาหารควรจะพึงเห็นอย่างไรคือเปรียบเสมือนหลุมฐานเพลิงลึกเกินกว่าชั่วบุุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปเลว และปราศจากควันมีอยู่กระนั้นบุรุษผู้หนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกมาสู่ในที่นั้นและมีบุรุษผู้มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจากบุรุษนั้นที่แขนข้างละคนแล้วชุดกล้าพาไปยังหลุมถานเปลืองนั้น กระนั้นแหละบุรุษนั้นมีความคิดมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะให้ห่างไกลหลุมถ่านเพลิองนั้นก้อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นย่อมรู้ว่าถ้าเราจะตกลงไปสู่หลุมถ่านเปลิงนี้ไซเราก็จะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายเพราะข้อนนั้นเป็นเหตุ อุปมานี้ฉันใดเรากล่าวว่ามโนสัญเจตนาหานนริยาสาวกพึ่งเห็นว่ามีอุปมาเหมือนหลุมฐานเปลืองฉะนั้นระเมื่อมโนสัญเจตนาหานนริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วปัญหาทั้งสามย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วย เมื่อตนาทั้งสามเป็นสิ่งที่อริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยาสาวกนั้นนังนี้พิสษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารอันบุคคลควรจะพึงเห็นอย่างไร คือเปรียบเหมือนพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้ประพฤติผิดได้แล้วแสดงต่อพระราชาว่าข้าแต่สมุทเทเจ็บโจรผู้นี้เป็นผู้กระทําผิดต่อแว่นแค้นของพระองค์ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าวให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่เห็นสมควรเทอดพระราชาก็จึงรับสั่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงไปจงประหารคือแทงบุรุษผู้นี้เสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงแทงนักโทษ ด, ด้วยหอกร้อยเล่มในเช้าวันนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันประราชาก็ได้ซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่สมุติเทพ นักโทษนั้นยังมีชีวิตอยู่ตามเดิมพระเจ้าคา่ะพระราชาจึงรับสั่งว่าทัพพุจารย์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านจงประหารคือแทงนักโทษนั้นเสียด้วยหอกร้เล่มในเวลาเที่ยงวันนี้พวกเจนท้ทีเหล่านั้นจึงได้ประหารคือแทงนักโทษนั้นด้วยหอกร้เล่มในเวลาเที่ยงวันแล้วมาในเวลาเยน็น พระราชาจึงได้ถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกว่าทั้งผู้เจริญทั้งหลายก็นักโทษนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็แต่สมมติเทพนักโทษนั้นยังมีชีวิตอยู่ตามเดิมพระเจ้าข้าพระราชาจึงมีประกระแสรับสั่งว่าทั้ผู้เจริญทั้งหลายท่านจงไปจงประหารนักโทษนั้นเสียด้วยห อ, อกร้ายเล่มในเวลายเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้น จึงได้ประหารนักโทษนั้นด้วยหอกร้ยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทัหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบรุษนักโทษนั้นผู้พวกเจ้าหน้าที่ประหารอยู่ด้หอกสามร้เล่มตลอดทั้งวันเขาจะพึงสวยความทุกข์โทมนัสมีข้อนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือบุรุษนักโทษนั้น ถูกพวกเจ้านที่ที่ประหารด้วยหอกแม่เล่มเดียวนั้นก็พึงเสวยทุกโทมนั้ที่มีข้อนั้นเป็นเหตุมากอยู่แล้วเราจะกลาไปใหญ่ถึงการที่บุตนักโทษนั้นถูกประหารด้วยหอกสามรายเล่มเล่าอุปมานี้ฉันใดเรากล่าวว่าวิญญาณอาหารนอนริยาสาบกพึงเห็นว่า มีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารฉะนั้นก็เมื่อวิญญาณอาหารอันอริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วนามรูปย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อนามรูปเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่า สิ่งไร่ไรที่ควรกระทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแกอริยะสาวกนั้นดังนี้แหละพิจิตต์ทั้งหลายก็อาหารสอย่างเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของปูตัสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แกสัมเบสีสัตว์ทั้งหลายก็ถ้ามีราคาคือความกาหนัด มีนันทิคือความเพลินมีตัณหาคือความอยากในกะพระลีกะราหานคืออาหารคือคำข้าวแล้วไสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้านั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใด การอย่างลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการอย่างลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังการทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังการทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นก็การบังเกิดในพบใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใด ความเกิดความแก่ความตายก็มีอยู่ในที่นั้นก็ความเกิดความแก่ความตายต่อไปมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีมีความขับแขนหนังนี้พิสุดธ์ทลายหรือถ้ามีราคะคือความกำลัดมีนันทิคือความเพลิน มีตัณหาคือความอยากในผัสสาวะอาหารคืออาหารคือผัสสะเหล้วใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้จริญงอกงามอยู่ได้ในผัสสาวนั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้จริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้น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 ก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดความแก่ความตายต่อไปมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีมีความขับแขนผิจุตนหรือถ้ามีราคะคือความกำหนัดมีนันทิคือความเบลิอมีตัณหาคือความอยาก ในมโนสัญเจตนาอาหารหรือในวิญญาณอาหารแล้วใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในมโนสัญเจตนาอาหารนั้นวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในวิญญาณอาหารนั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ มีอยู่ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการยังลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังการตั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังการตั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไป มีอยู่ในที่ใดความเกิดความแก่ความตายต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดความแก่ความตายต่อไปมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีมีความขับแกนดังนี้เปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้าย้อมคือครั้ง ขมิ้นครามหรือสีแดงอ่อนก็จะบังเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดาษหรือฝาผนังหรือผืนผ้าที่กเกลี้ยงกล่าวได้ครบทุกส่วนอุปมาณนี้ฉันใดอุปมากก็ฉะ น, นั้นคือถ้ามีราคะมีนันทิมีตันหา ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นในอาหารคือผัดสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาหรือในอาหารคือวิญญาณดังนี้เราใช้วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ได้ในอาหารทั้งสเหล่านั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใด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 คือความอยากในอาหารคือคำข้าวในอาหารคือผัสสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาในอาหารคือวิญญาณดังนี้แล้วใสวิญญาณนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริงงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารทั้งสี่เหล่านั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริงงอกงามไม่ได้ มีอยู่ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการยังลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังการทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังการทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น การบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดความเกิดความแก่ความตายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นความเกิดความแก่ความตายต่อไปไม่มีในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความกับแกนหนังนี้เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่าง่างทิตะวนออกครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าก็าแต่พระองคเจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ จะปรากฏที่ฝาเรือนข้างในที่ตะวันตกพระโชาคา่าพิกษุต่อลายก็ถ้าฝาเรือนตางที่ตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนก็แต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นก็จะปรากฏอยู่ที่พื้นดินพระโชาคา่าพิกษุต่อลายก็ถ้าพื้นดินไม่มีเล่า แสงสว่างแห่งพระอาทิตนั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนแสงสว่างแห่งพระอาทิตนั้นก็จะปรากฏในน้ําพระชจ้าข้าก็ถ้าน้ําไม่มีเหล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตนั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนได้อีกข้าแต่พระองค์เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระชจ้้า พิสูจต่ายชั้นใดก็ชะ น, นั้นแหลคือถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวในอาหารคือผัดสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาและในอาหารคือวิ ญ, ญญาณในนิลสายวิ ญ, ญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในอาหารทั้งสี่นั้น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 ย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดการเกิดการแก่การตายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นเมื่อการเกิดการแก่การตายต่อไปไม่มีในที่ใดพิสุตตนายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีชุลรีไม่มีความครับแค้นหนังนี้แหละ และที่ท่านดรัฟังจบไปนั้นคือนรกะปานาสูตรและอาหารสูตรอ่านโดยพระมหาไพบู์พอาภิกปุโนในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันริหัสตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย